หัวเดียวเมียเดียวท่านเตือนลูกหลานเสมอๆให้รู้จักควบคุมไฟราคะตัณหาให้มีขอบเขตอยู่ภายในเตาด้วยศีลด้วยธรรมดังนี้